พระธรรมเทศนาแผ่นที่สองลำดับที่19โดยหลวงพ่อยินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่ส1บอดธันวาคม2556หมีชื่อเรื่องว่าช่วยกันคิดช่วยกันทำพระในวัดเท่าเดียวนีแปดชิบขอองหนะ้าลูกหลาน ผู้มาพันมาฉันอยู่นี่สี่สิบกว่าแต่พันฉันอยู่ตั้งนอกเพันดูแล ง, งานอีกก็มีอาศัยพาลูกพารานเนี่ยนะเป็นกําลังลักงานของหลงปูเฮ้าขั้นบมีกําลังลักกบมี่คู่บา้านเป็นหัวหน้างานพี่แต่พี่น้องชาวบ้าน ก่คงจะลาบากพี่น้องชาวบ้านกับคือกำลังทํางานทั้งไฟปลาเนี่กเป็นผู้ออกหัวเป็นผู้ว่างแผนงานควะวบมีผู้ใดว่างแผนงานมีแต่ชาวบ้านมาเหตุก็ก่อคงจะลาบากดำะนินการงานของเฮาจะําเลตุลรวมไปได้ก็ต้องอาศัยพาลูกพาหลาน พานองพานุง่งทั้งหลายนี่แหละช่วยช่วยกันคนละใหม่คนละมือแต่เมื่อว่านนี่ก็พวกก่อนรอปอกางเกา่าก็เลยกลมพัฒนาพัฒนาเคลื่อนที่บ่องพอก็เรียกว่าถือหรอกแต่สรุปแล้วก็คือก่อนรอบปอกางเก่านะี่มาป่านสาให้แล้วบันหอยไส้เซ็จเรียบร้อยแล้วเมื่อว่านนี่ก็พรอมที่จะใช้น้ําเลยแล้วลูกล้านเลย แล้วก็ต่อไปในก็คงจะว่างแผนเรื่องน้ำเรื่องน้ำก็มีสองพระอาจารย์อาจารย์ตุอาจารย์แปะก็คงจะเขามาภายใน15 16มือนี่แหละแล้วก็เรื่องไฟฟ้าไฟฟ้ากันจะพูดจะคุยกันระมือว่านเรื่องไฟฟ้าก็ไม่มีปัญหาคูบาทางหลาย พร้อมที่จะเดินสายไฟในเต็นท์ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ไฟก็เพียงพอเออบอรแมนหน่อยไนดะ้ลกูกหลานเนะของในวัดนี่กประมาณพันกว่าชดุดเอาอมาจากที่อื่นอีกพันกว่าชุดอีกไฟนะสรุปแลยมันสองพั0สพันหลอดเพราะนะไฟฟ้าที่จะใช้ในงานของพวกเฮาก็เรื่องเครื่องเสียง เครื่องเสียงของเพลนก็รับผิด ช, ชอบเนี่ยนะกลุ่มของเพลนสี่เสียงที่มานี่ก็เนี่ยนะเพลนมาบูชาประคุณหลวงปูถ้าว่าคิดเป็นเงานออกมานี่จนงานแล้วนี่เป็นเงานล้านขึ้นกันแน่ลูกล้านเลยเครื่องตัวนี้เพราะนั้นเพลนมาซอยเพลนเอามาเอาบุญกระโขกเข้ามาซอยงานนี่แหละเครื่องเสียงเพลนจะกระจายไปให้ทั่ว เสียงฟังลุกเสียงเหมาะได้ผู้ใดอยู่อยู่ใสกระด้ิ่บอมเมนเสียงฮอนหมดไปเสียงเครื่องขยายเสียงเสียงพ่อหมออาะนี่และอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือหลวงปูเฮาเป็นผู้มีบุญพ่นสางบา ร, รมีมากแต่แต่ยังหน่อยหนุม่มจนอายุปาเขาไปเกือบลอยซี่ปี จึงได้มาละนาผาบลงไปบัณิตคณะสัตธาหญาติโยมลูกหลานทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันถวายงานเพื่อจะไปชุ่มฉลีละของหลวงปูเ่เฮาผู้ใดขยักได้บุญเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกูทุกคนเออบ่าวาเช่าบ้านบ่าวว่าออกตนญาติโยมหน่อยใหญ่ มากมิ่งดีจนทั้งหลายทั้งปวงให้ ย, ยกหลวงปูเป็นเจดีย์แล้วว่าเป็นจดุดศูนย์ร่วมของหัวใจของพวกเข้าอย่าไปคิดว่าผู้นั่นผู้นี่อย่าไปคิดว่างานเนี่เป็นงานหลวงพ่ออินหรืองานผู้ใดเป็นงานเพื่อห่อมาเพื่อปูยชาพระคุณหลวงปูขันหาวาบมีหลวงปูพวกข้าบอมาดอกหลวงพ่อกับบมาอย่าไงคี่อันนี้มาเนี่มาเพื่อหลวงปูเท่านั้นแหละ เพราะนั้นพวกหลานทุกคนให้ทํางานเพื่อหลงปูหน้าลุกหล้านหน้าผานน่นน่องนุงทั้งหลายมีอี่ยังเกิดขึ้นกันนะปรึกษาปารลบ ก, กันมีความพ่อมเพียงสามัคคีกันให้หักกันให้พี่นองมันต้องมีแหละบอะมีเรื่องหนึ่งก็ต้องมีเรื่องนึงเพราะมันหลายคน้นยังที่หลวงพอบ่าวมู่ว่านนี่แหะหลวงพอบ่าเหมู่ว่านบอกว่ามัน อ, อยู่น้ำกันหลายคน ตั้งแต่ลิ่นกับแขวเเฮามันก็ยังกัดกันทั้งที่ลิ่นมันเกิดมาทีหลังไอ้แขวมันเกิดมาทีหลังลิ่นมันเกิดก่อนเอาไปมาแขวมันยังกัดลิ่น อ, อยู่ในปากจะของแท้อันนี้คือกันการดูน้ำกันมากมาก่หลายคนขคองจะมีอยยังบ้างแต่ถึงยังไรก็ตามขอให้มีขันติคือความอดทนวิทยาความเพียร ปัญญาคือความรอบลูกในเรื่องต่างๆพวกเข้ามาอยู่นี่โบแมนจึงไม่อยู่ติดโชว์ฝาดินชะไล่วันที่หามักร า, าพวกเขากับพระราชท่านเพิ่งสรีระของหลวงปู่เ็จแล้วกันนะเก็บสิงเก็บของแล้วก็นั่มพวกเขาก็บพินนพธภาวภูมิใจวด่ดเอกมาซอยงานหลวงปู่บุญกุศลทั้งหลายก็จะเขาสูจิตชูใจของพวกเข้า พวกเข้าไปทํามากค้าขายอยู่ไสไปอยู่วัดว่าศาสนาใดปฏิบัติอยู่ผู้พาป้ า, มาไม้ใดพวกเข้ากขาพุ่มใจเด้เพราะเหตุใดเพราะว่าเข้ามาทุ่มเททําการทํางานบูชาประคุณหลวงปูลูกหลานทั้งหลายขึ้นกันเป็นครวตัตญาติโยมคันนวาตกทุกในอยากบรสบายใจจังไรอ่างันเป็นมากซอยการซอยงานหลวงปูนให้พวกเข้าลําลึกถึงประคุณพระฤทธ โอ้ยบุญบาลมี่ผู้ขา่าเดียไปซอยงานซบลงปูบุญบาลมี่ของลงปูมาซอยผู้ขา่าโดยเทินข้าวนี่ยคับขันแล้วอ่ะแน่นแหละดันั้นนะบุญกุศลก็จะเข้าไปเกือ้อกูลหนุนพวกเฮ้าเรื่อเสียแต่เฮ้าทําความซัวไปขายยาบ่ายยาหมากพอแห้งเราจะให้ลงปูซอยลงปูไปซอยได้แน่นอนจั น, นขานว่าเฮ้าบอดิเหตบอดิเหตความซัว แต่มันมีเรื่องอยังครับปกขับใจขึ้นมาพวกเข้าใครจะเด็กล้ำลึกถึงประคุณของเพลินบุญคุณของลงปูเจะเก่าไปเกือกูนนุนให้พวกเข้าประสบสําเร็จเรื่องนักกกลายเป็นเป้าได้พอบุญที่เข้าพวกเข้าได้สั่งเพวันนั้นขอให้พวกคณะสัทยาธญญิญจงโยมลูกหลานทุกข้อเ น, น้อการสรั่งบุญก็มี่การทํามหาเลียงฉีบกับมีทั้งสองอย่าง อย่าให้ขาดตกปกพ่องคันออกจากวัดไปแล้วก็เ อ, อิมั่นขยันเเฮ็ดไหเฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันไหนจะเป็นเงินเป็นทองกับขยันแต่เขามาสูวัดว่ า, าศาสนากับขยันช่วยวัดว่ า, าศาสน า, าสร้างบุญสร้างกุศลเขาซูจิตเขาสูจาสใจเพราะอาหารใจนะแบบหนึ่งอาหารกายแบบหนึ่งที่หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังอาหารกายกับขี้ขาวนำ้ำ โภชนะอาหารผ่านโอห่มยาแก่โรคไห้ไข่เจ็บที่อยอาศัยอันนี้ก็คืออาหารกายอาหารกายกือคือเงื่นะเป็นหลักแต่อาหารใจนี่ออจะว่าเงื่อนก็ใช่ในการทําบุญทําท่านแต่ว่าเรื่องที่จะนั่งรักษาศีลภาวนาประกอบคุณงามความดีจิตใจเป็นกุศลออจิตใจให้เทียงตรงจิตใจให้มันคง จิตใจให้เป็นไฟในการกุศลทรรยังทรรมหรือความศรัทธาเสื่อในบุญในกุศลเสื่อในบารมีของหลวงปู่เนี่ยแนหะบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเฮานะลูกหลานคณะศรัทธาญโยาดนมสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อนี่ให้ซอยกันให้บอกกล่าวทั้งพี่น้องเชาวบ้านทั้งพี่น้องพระแน่นพี่น้องมาจากจากรุทิศให้ซอยซอยกันเบิง่งเพราะมาก วัดของเข่าลายขู่ลายพ่นเรื่องอาโหงอาฮันเสียงเหล่านี้แหละการซอยกันเบิงที่พักที่ผ้าอาศัยไอ้ยังจิตใส่ในงานของหลวงปู่เข่าซอยกันคิดซอยกันเบิงการหมอบพวกเขาซอยกันแนวความคิดไมีแต่ความสั่งสั่นไมีแต่หาเสียงบกพร่องที่พวกเข่าจะช่วยกันหลวงพอวางานของหลวงปู่ใน จะสำเร็จลุล่วงไปโดยดีด้วยพรางจิตพรางใจด้วยจิปัญญาของลูกของหลานทุกปู่ทุกนขณคานาว่าผู้นั้นก็นโยนให้ผู้นี้ผู้นี้แต่โยนให้ผู้นั้นหน้าที่ว่าเม้นผองผู้ขาหน้าที่ไม่ไม่ใช่ของข้าข้าไม่ใช่หน้าที่ต่างข้นต่างโยนกันไปโยนกันมาเนี่ยสรุปแล้วเป็นไผ่ละวั น, เ, นเสียหายเพราะนั้นพวกข้นจะเป็นยังสั่นเนอ้อลูกหลานเนอ้อ ซอนะยกันเฮ็ดจอยกันทำแต่เมื่อว่าเนี่ยคณะสงฆ์เด็ไปเบิ่งสถานที่กลางเต็นแล้วขอให้พี่น้องลูกหลานมาซอยซอยผาเนอะเพื่อได้อยากได้บุญเมื่อนพวกฟางว่าน่นเฟื่องว่านั่ น, น, นนะเออขนมามาปูให้พี่น้องลูกหลานได้นั่งเห่าก็ได้บุญได้กุศลเมื่อปูแล้วก็ทิ่มเวหานและว้านเองจะเป็นปุ๋ยของตนใหม่ต่อไป เป็นประโยชน์ทั้งมัดนั่นหะได้บ่เสียบ่หายนะนี่แหละให้พี่น้องลูกหลานช่ยชยกันคิดซอยกันเบิง่งหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลวงปู่หลวงตาเด้นั่งหัวศาสตร์หัวเสืออย่างพวกลูกหลานเห็นเนี่ยนะก็บริเนิ่งดูดายอันหยัางขีดขาดเหลือขาดตกมี่หยังบอกว่าเนอลูกหลานเนอะหลวงพอ่อช่วยยเบิง่งซ่วยคิดซ่ยงานขึ้นกันนั่นถึงจะไหยังไงหลวงพ่อเนี่ยถือว่าเป็นงาน หลวงอาอพ่อแม่คู่บาอาจารย์ของพวกเฮาทุกขู่ทุกคนโมเมนงานของผู้นึงผู้ใดเป็นงานของลูกหลานทุกคนผู้ใดเขามาหาเพลินเห็นไหมละ่ะเพิินก่อนนั่นเอาไม้เท้าเคาะหัวให้เมตตาให้ทุกขู่ทุกคนลูกหลานอจงค่าท้าให้เจริญเด้อลูกหลานเน้อให้า่ําร่วยเน้อหลวงปู่เป็นขอกไม้เท้าคาะหัวให้เนี่ยละ่ะ เพิ่นเมตตาครับทุกขู่ทุกคนวันนั้นเมื่อเพิ่นจุตินิรลพานเพิ่นมรณ ะ, ะภาพล่งไปแล้วก็เป็นนาทีของพวกเขานี่แหละจะช่วยกันคนละใหม่คนละมือคนโบล้านเพิ่นวาเามียนดูดหลังฝังดูข่างให้พ่อแม่ปูญาตายง่ายาให้ผู้มีพระคุณสำหรับพวกเข้าเป็นบุญเป็นกุศลหล่นฝ่าหล่นแผ่นดินนหลูกหลานเน้า ไอ้ ซ, อ ย, ซอยกันเบิงเจิกไหนก็ตามทำมันเบิงแล้วในวัดว่าศาสนาที่จะช่วยกันทำความสะอาดขยะขี่ขยะมุ่นฝอยซอยกันเก็บ ซ, อ ย, บบซอยกันเบิงเออแล้วก็ซอยกันล่งครัวเลียงแขกเลียงคนบนนั่นแหละผู้เฒ่าผู้แกร่ร่างรวยร่างช่างเป็นนาที่ของพวกเข้าทุกข์ทุกคนนี่ยนะซอยกันคนละไมล์ละมือมีมาก เออไปซอยอยังมีอยังบองงานในวัดมามาโหลดนไปเอมือว่านก็บอกว่าห้เขามาพระสงฆ์คือกันคู่บาอาจารเขามาแล้วมีงานเอางานแบง hate, ่งไอเห็ดมีแต่โดยนี่พวกเข้าจักรีแบ่งยังไงมันมันงานมันหลายพแต่คนมันหน่อยนะแต่ว่าโค่นมาหลายก็จะแบ่งงานกั น, ผ, น, น, กนผู้นั่นกลางเต้นผู้นีเฮ็ดทีหนังพระเทสะผู้ น, นั่นเบ่ง ไฟผู้นั้นเบิงน้ำผู้นั้นเบิงสวงที่คนจะมาพักามาชัยมาดูมาใชัในงานของเฮ้านะมันมีมากในหลุกรานเลยเพราะมันงานใหญ่สรุปแล้วงานไงนะเฮ้าจีถิมให้ผู้ใดผู้นึงนะห้อยผู้นั้นกัหลังแอ่นคือกันนะ่เมันต้องซอยกันแบกซอยกันหามซอยกันดูแลนะ เอาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พ่อ น, น, าน้าบ้านีน้าหลูกหลานหน้า